คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาหัวข้อหลักที่สองไม่มองข้ามเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องตนเองประเด็นที่สองเรื่องแก้ความชั่วด้วยความดีในหัวข้อที่สองของบทนี้ที่ว่าพระพุทธศาสนาสอนให้แก้ความชั่วด้วยความดีนั้นมีปัญหาสำคัญที่พึงพิจารณาอยู่ไม่น้อยแต่ก่อนที่จะพิจารณาในรายละเอียดอื่น ขอให้เราพิจารณาหลักคําสอนซึ่งจะยกมาเป็นตัวอย่างก่อนข้อที่หนึ่งพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะความทะณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดหลออแหละด้วยคําสัต์จริงข้อที่สอง เวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรในที่ไหนๆเลยยอมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรต่างหากธรรมะนี้เป็นของเก่าทั้งสองข้อนั้นจัดธรรมบทพระไตรปิฎกเล่ม25ห้าข้อที่สมความชั่วที่ทำแล้วผู้ใดปิดกันเสียด้วยความดีคือเลิกทำชั่วเสีย ทำความดีแทนต่อไปผู้นั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากหมอกฉะนั้นจากพระสุตตันตปิฎกพระไตรปิฎกเล่มสิบสาเหตุผลทางพระพุทธศาสนาที่ให้แก้ความชั่วด้วยความดีก็คือถ้าใช้ความชั่วแก้ความชั่วจะไม่มีวันกลายเป็นความดีขึ้นมาได้เลย เปรียบเหมือนการล้างของโซโครกด้วยของโซโครกการซักเสื้อผ้าที่สกปรกด้วยน้ำกระโถนจะยิ่งเพิ่มความสกปรกยิ่งขึ้นจริงอยู่มองในแง่หนึ่งคล้ายเป็นการหัดเสียเปรียบคนที่คอยจะเอาชนะเขาด้วยความดีปล่อยให้เขาเอาความร้ายมาใส่เราข้างเดียวและคล้ายกับเป็นการอ่อนแอด้วยแต่ถ้าเข้าใจความหมายในคาสอนให้ตลอดแล้ว จะรู้สึกว่าพระพุทธศาสนาได้เตรียมการไว้พร้อมแล้วที่จะไม่ให้ต้องเสียเปรียบและไม่เป็นการอ่อนแอนั่นก็คือการสอนให้แก้ปัญหาตั้งแต่ยังไม่เกิดเรื่องร้ายขึ้นเช่นสอนไม่ให้ปลูกศัตรูสอนให้ปลูกมิตรให้บำเพ็ญสังหหวัตถุคือรู้จักผูกน้ําใจคนด้วยการให้การพูดไพเราะการบำเพ็ญประโยชน์และการวางตัวให้เข้ากับเขาได้ สอนไม่ให้ยินดีในการหาเรื่องโตเถียงอันเป็นการตัดทางทะเลาะวิวาทสอนให้มีเมตตากรุณาต่อคนอื่นอันเป็นการเตรียมตัวในทางดีแทนที่จะให้คนอื่นคิดเป็นศัตรูกลับให้คิดเคารพนับถือการเตรียมตัวหรือวางตัวในทางดีไว้ให้เป็นนิสัยนี้ทําให้ไม่ต้องแก้ปัญหาร้ายในภายหลัง มีคำถามว่าถ้าเราทําตนเป็นคนดีแต่คนอื่นเขายังร้ายต่อเราอยู่เราจะทําอย่างไรตอบว่าทำในทางที่เราจะเสียน้อยที่สุดนั้นก็คือให้พยายามต่อสู้ด้วยความดีในที่นี้ผู้เขียนขอเสนอบทความเรื่องความพยาบามบซึ่งเคยเขียนไว้เพื่อประกอบพิจารณาต่อไป